ก็เป็นคุณอันหนึ่งได้เอ่อให้มันร้ายต่อไป เรเราก็จะได้ไม่นําเอาคําสอนที่มันเป็นเอ่อพระๆเหล่านี้ให้ได้ เอ่อพระชิกิตาก็ตถาขาก็ยังไปเป็นเทพเป็นเทวดาอยู่เทพโลกพรหมโลกเหลือกิเลสนั่นขอให้เราพยายามฝึกจิตทํา <y: S 1> <น> อาวนาตรงนี้โพนนาให้มากไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะนืนจะเดินไปไหนก็ตามให้เรามีจิตธรรมจิต สถานที่ใดบุคคลใดอันนี้สําคัญที่สุด ถ้าอยู่ในป่าในๆที่แวดล้อมๆไปแล้ว นำเอาธรรมคําสั่งสอนพุทธเจ้าออก ข่าวน้ําของโยมจะหมดได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถนําเอาข้าน้ําของโยมเหล่านี้เอามาพิจารณาแล้วก็ สาธุชนทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติลุงสังขาร แก้ไขเผ่าพันธุ์ของเราแล้วให้มันสมบูรณ์ขึ้นทั้ง แต่ไปสวรรค์ต้องทําจิตให้เป็นเท่ต้องทําจิตให้มันสูงส่งขึ้นมีเทวธรรมอยู่ในใจแต่กายทําลายทั้งมนุษย์ก็เข้าสู่สุคติแล้วต้องไปเกิดอย่างนี้ไปนอนในครรนอนในสิ่งที่ประคูลโศกโศกเหล่านั้นแล้วคนเราไม่ เกิดเป็นไรก็ต้องเกิดถ้าเรามีคุณธรรมๆเหล่านี้